ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อ ก็ขอท่านบ่อ่านก็ดีท่านบ่ฟังก็ดีอย่าลืม แต่ว่าตอนท้ายๆนี่ธรรมะจะมากยอดหน่อยเพราะๆนี่ธรรมะจะ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีทางลงจากบกก็เหมือนกับโอโมงรอดรอดโอโมงจากนี่เป็นโน่นนั่นแหละเหมือนกับที่ฮ่องกงเขาลอดจากอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งลอดมหาสมุทรไปลงไปในน้ําไปถึงเมืองกระจกเมืองกระจกก็สวยสดงามมากมีไฟฟ้าสว่างมีแสงสว่างมากมีเครื่องยิง เรื่องยิ่งๆมีๆกันปลากับคนนี่ไม่เป็นศัตรู <c oughs> ก็ก็มีเครื่องยิงยิงพบไปเหมือนก็ฐานเรือยิงตอร์ปิโดแปลว่ายิงไปแล้วเค้ากลับก็เข้ามาถึงจุดที่จะเข้าก็โดดเข้ามาอันนี้เป็นของไม่ยากโลกนี้ก็ทําได้โลกนั้นก็ทํา แต่ก็จกเครื่องเขามีมากจากเรือนี้แล้วถ้าจะไปเรือโน้นก็มีหมวกไปเป็นทางไปก็มียานสําหรับเป็นพาหนะเป็นรถย่อมๆเป็นรถเราดีๆวิ่งไปได้แล้วไปถึง แต่ยังกับแบบสบายๆเพลิดเพลินจะพรรณนา <c oughs> ก็มีปลาทันตระอันตรายกันก็มีเห็นบ้างแต่ก็ไม่มากนักส่วนใหญ่ ถามก็บอกว่าโรงกระจกจะมีมากมั้ยอย่างเห็นมิทาน แต่หาดิซือก็รู้เพราะความเป็นอยู่ก็ดีรัฐบาลเค้าไม่ <c oughs> ก็มีค่าใช้จ่ายเพื่อบุคคลสูงเฉพาะ เขาใช้รังสีของแล่จะถามว่าแล่อะไรเค้าว่าไม่ได้บอกว่าจะ <c oughs> ก็ก็ชวนคนพาเจ้าของถิ่นไปอยากจะขึ้นบรรพบกที่ฝั่งมหาสมุทรนึงเขาตกมีมากจะไปแวะเมืองเกาะอื่นๆมั้ยก็เลยบอก ไปดูแลก็ไม่ทราบจะนําอะไรไปได้ขอสึกกิน 1 ไป นึกหมายความว่าท่าน พระท่านเทศน์แล้วท่านก็จะนําไปก็เลยบอกกับเขาบอกว่าการที่ไม่ <c oughs> เขาถามว่าถ้าอย่างนั้นมาที่นี่อยากได้อะไรบ้างก็ตอบเขาตรงไปตรงมาบอกว่าการมาที่นี่ไม่ใช่อยากได้อยากรู้อย่างเดียวมีความอยากเหมือน เพราะว่าไปใน ที่เข้าไปมันคล้ายคลึงกันก็มีมีลักษณะแตกต่าง <c oughs> <c oughs> ถ้าบินรอบข้างๆก็ไม่ต้องผ่านก็ถือว่าที่นั่นเป็นสถานที่เที่ยวของคนโลกนี้โอ้โหน่าสะจันก็ ก็มีโลกๆเพียงแค่ 3 โลกในนั้นเพราะเท่าที่พองเห็นแล้วไม่เกิน ก็มันขึ้นเชื่อว่าทองคําโลกชมพูต้องการขนาดไหนนี่ เขาถามว่าคําว่าจนนี่หมายถึงยังไงก็ตอบว่าจนขนาดที่ไม่มีกินไม่มีใช้ต้องขอทานเค้าก็ยิ้มว่าที่นี่ไม่มีความ แต่มันก็บอกว่าเค้าเกิดมา 8,000 ปีเค้าโล่ชมพูยังไม่เคยเห็นใครต้องสงครามกันด้วยวัตถุนี้ที่มีความขัดสนจริงๆมีแต่เพียงว่าเรามีอย่างนี้เค้า ในประเทศที่ท่านจากมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรรมหรือว่าอาชีพของป่าไม้ของของของในป่า เพราะเรามีอย่างนี้เค้ามีอย่างโน้นถ้า ให้ปฏิบัติในมนุษยธรรมถ้าปฏิบัติในมนุษยธรรมได้แท้ก็ก็สามารถจะเกิดเป็น เพราะว่าเป็นสถานที่เดิมของตนที่เคยอยู่แต่นี่เป็นคําสอนของ คือว่าดาวหลุมดําอันละดาวดาวถุงดํานี่เข้าจึงมีความเข้าใจจริงๆว่าเขาเป็นมนุษย์แน่ชาวโลกชมพูนี่ตามความรู้สึกของคนอื่นเป็นยังไงไม่ ปริมาณที่มีก็มีน้อยแต่ว่าถ้าจะเป็นคนที่ มีธาตุ 4 เหมือนกันมีการสาริษฎ์ 2 เหมือนกัน กรุณาความสงสารมนุษย์ก็มีแต่เมตตารัก ทรัพย์สมบัติต่างๆเรารักเขาก็รักก็ไม่มีใครยึดย่างทรัพย์สมบัติกันคนรักของเรา ด้านจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมเค้าไม่ให้เราและไม่จองล้านจองพรานจองเวรจองกรรม อันนี้ลักษณะของมนุษย์เขาเป็นอย่างงี้สําหรับ <c oughs> <c oughs> ขณะที่อยู่ในท้องแม่ถ้าลูกสามารถจะ 10 ให้ได้ยินหรือว่าชาวบ้านนี่คุยกันคุยให้ได้ยินถ้าสามารถจะยินได้นะรวมความว่าตั้ง มันใกล้การที่จะส่งอารมณ์ตามนี้เป็นว่าโลก แต่ชั่วบ่ายดีอะไรก็ตามใจกับวันดีกับคืนชั่วกับคืนดีกับวันชั่ว <c oughs> เรื่องมันก็หมดแล้วนี่มันก็หมดแล้วนี่รำคาญไม่รำคาญก็ไปต่อไปต่อนี้ มันใช้เวลาเกือบชั่วโมงเมื่อใช้เวลาเกือบชั่วโมงก็ไปถึงแม่ทางลาดขึ้นทางลาดขึ้นสังเกตได้ยากเขาทําดีจริงๆ <c oughs> บริเวณกว้างใหญ่ไปสารบ้านช่องเยอะบุคคลก็มากบริเวณก็ไกลภาคคาลสูงๆก็มีเยอะมีตึกลำแล้วมียอดแหลมแหลมก็ ถามเงินตราที่ท่านใช้ใช้เงินตราต้องไปแลก 1 บาทราคา แต่ละธนบัตรแต่แบงค์ที่ใช้ก็ลักษณะไม่เหมือนๆ ก็คนๆมีการข้องตัว ระเบียบการแต่งงานแต่งงานแล้วต้องปฏิบัติแบบไหนก็ต้องทําตามนั้นเหมือนเหมือนกันทุกคนเป็นระเบียบของโลกของโลกนี้อย่างหนึ่งถ้าว่าโลกชินะโลกชินะดาวหลุมดําก็ดีโลกชมพูก็ดีก็ปฏิบัติเหมือน ก็ลืม 3 บ้าง 4 บ้าง 1 บ้างก็แปลกใจว่า จะต้องมีปัญญาสามีคู่หนึ่ง แต่คนนี้คณะนี้เค้าไม่ปัญญา 1 คุณถามถามในขณะที่แต่งงานกันนี่เวลาที่เค้ามีสามี 1 มีมีหลายวาระ นี่เนี่ยไอ้ลูกนี้มันน่าอยู่ตรงนี้น่ะก็ถามว่ากฎหมายของคนมันบังคับหรือก็กฎหมาย ถ้าถือว่าคนมาใหม่นี้เป็นน้องก็รักเกิดชอบใน ก็ถ้าสามีไปทูลยังพระว่าแต่งงานกับฉันมั้ยผู้หญิงคนนั้นก็บอกพร้อมที่จะแต่งถ้าปัญญาของคนคนคนอนุญาตเค้าก็ต้องพา หมายกว่าการนับ 1 นั้นคือเธอถึงเธอก่อน 5 ก็เป็นกันทีนี้คํา ถามก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคนอยาก แล้วก็ถามได้บอกว่าถ้า 10 ก็ดี 4 ก็ดีพร่องมีบ้างไม่ใช่ไม่ แต่เขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนโลหิต แต่การนี้หมอจำนงที่อยู่กรุงเทพฯก็อยากจะทําให้แต่ว่าคลินิก ที่วัดท่าสูงอุทยานธานีๆจะเอา 4 ปีไป 1 บาทเขา 6 สลึงแต่ 1 สำหรับคนอยู่หน้าทะเบียนนี้ 2 ใบแห่อาจ เวลานี้ใกล้จะ